ทางธรรมะทางด้านปฏิบัติโดยส่วนใหญ่คือเที่ยวทีู่กฝังกันอยางขันอันเดียวกันธรรมะที่รพจากขันแต่จะรู้จรู้ไปจากขาขันที่พวกเรวท่านทุกคนมีอยู่รู้ไปจากที่อื่น เพกาะนั just, <You> ้นการพูดธรรมะพูดหนึ่งถาดหนขันก็จะสาบว่าอะไรเป็นถาดเป็นขันอะไรเป็นกี่เหลี่ยจันหาอะไรเป็นมาเป็นผลถาขันอันนี้โดยเสียมใหญ่พวกเราท่านในต่อเด็กที่เจนาสัน เราไ่บว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์าขันธ์ก็เป็นสมมติอันหนึ่งแต่สมมติในรถไฟจากสมมติของโลกที่สมมติกันคือเป็นสมมติทางธรรมสมมติทางโลกธรรมดาถือว่าศาสตร์ว่าบุคคลเป็นเชืยอส่วนธาตุขันธ์นั้น เป็นเรื่องสมมติทางธรรมที่พัวผู้ใชเจ้าทรงขนพบนสมมติขึ้นทางวาฒน์ระดับเสีธาตุทั้งสี่วิถีธาตุทั้งหกมีบินน้ำลมไฟอากาศบินยานธาตุเหล่านี้มีประจำบุคคลประจำสักด์ หัวไฟเรียกว่าธ า, าตุ6ธาตุต่แกธาตุที่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นมูลฐานจริงจังก็ได้แก่ธาตุบินธาตุน้ำนี่เป็นธาตุดั่งเดิมส่วนธาตุอื่นเป็นธาตุอาศัยอาศัยบินน้ำเป็นอยู่ ผ่านเหล่านี้มาสมมติภายหน่อกลั ว, วเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเราวก็เลยไม่เดี๋ยวพี่เจนะว่าธาตุทั้งสี่นี้มันเป็นความจริงแค่ไหนทำาไมจิตจึงไปยึดไปถือบังเขาว่าเราว่าสัตว์ว่าบุคคล พาพิแจมาตามเรื่องของถาดจริงจังแล้วขาดบินก็ได้แจกสิ่งที่คนที่แข็งในตำลับตำราที่สัตควเทเชาาโลมานาคาสันตาใตโจเยวข้าไปทึงอัิที่ จริงๆคนแข็งถั่วไปในร่างกายของเราจริงเหล่านั้นเมื่อแตกสลายไปแล้วจะลงไปเป็นดินเทียบว่าถาดดินเมื่อผสมกันเข้าอยู่ในเนื้อในตัวของเราก็วเมียถือว่าเป็นถาดดินเสี้ยหลงสมงดเมื่อเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชาย ไม่ดที่เจน่าเอ่อเจ็บขาดไปใจกว่าเลยหอ่อหลุ่มหลงเกิดราคะตัณหาต่างๆนานาขึ้นเพราความยึดความถือของจิตของใจขาดน้ำกว่าเลยใช่สิ่งที่เลวหมูกหนําลายหนําตาหนังเลือดหนังเลี้ยงต่างๆนั่นาสิ่งนี้อยู่ในเนื้อในตัวของพวกเราท่าน เยวะธาตน้ำธาตุลมก็คือสิ่งที่พัดขึ้นพัดลงอยู่ไหลร่างกายลมหายใจเสารลมหายใจออกลมในท่องในไส้ <c oughs> ลมพัดไปตามตัวไใจก็ได้จะความอบอุน่นในเนื้อในตัวของเราเกี่ยอากาศธรรมชาตนนิก็มีอยู่ที่ว่าง ตามส่งหูส่งจมูกเรียกว่าอาศัยธาตุยืนยันธาตก็คือีาตรู้ในสัตว์ทั่วไปที่มีชีวิตเป็นอยู่มีธาตเหล่านี้ธาตที่จะนำมาให้ใส่ใจพัดเกลืนเรื่องของธาตเหล่านี้เขาไม่เคยยินดียินได้ เขาเกิดขึ watering, ้นมาแต่แวนไปตามหน้าที่ของเขาและแตลายไปเป็นเรื่องของาตเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเราจะลุ่มหงมัวเมาขนาดไหนเราจะยึดถือขนาดไหนาตมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันธาตจิต ที่เจ้านาเห็นพอใจทัดเทนในเรื่องเหล่านี้มันก็มีมีอะไรที่จะดีใจเสียใจในเรื่องชาตเหล่านี้นาขีของเขาเป็นอย่างไรเราถอยใจตามเป็นจริงอย่างนั้นมันก็หายตามสงสัยหายตามยึดถือหายตามจิดคล้องแต่ จิตใจของเรามันยังไม่ถึงขันท้องอัดท้องคำจึงจำเป็นสองทีนี้ที่จะน่ะเกนะิอแก่ช้จิตใจที่ฟองจิตจิตถือต่างๆเดี๋ยวก า, ารทิจารณาข้าขันนั่นกอบัญญัติทับลงไปในอันเดียวกันรูปปขันหมายถึงรูปห่างต่างตัวที่เรามองเห็นเหลือาตานามาขัน หมายถึงสิ่งที่เรา้แต่ไม่มีตัวตนเช่นเวทนาความเจ็บปวดเนื่อเหนื่อยหิวความทุกข์ต่างๆหรือเฉยๆอยู่เวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆสังขารความปรุงในจิตในใจปรุงจิตจิตทอยินยันคามรู้ที่เสื่อมจั ตาจาับหูไปกระทบลูกเสียงต่างๆเรียวกว่าวิน ญ, ญาณสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้มีสติมีปัญญามีธรรมะกอพิยารนาให้เป็นธรรมะให้ใจรู้เห็นทัดเกียนหายสงสยัยไม่เกิด โลกหยงเกิดขึ้นเพราะเข้าใจตามเป็นจริงในเรื่องของขาดขันท่าหักไรปัญญาไมมีธรรมะในใจสิ quiz, ่งเหล่านี้ก็เป็นไัอันตรายด้วชีวิตเป่งฝุ่งไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยเกิดความกำหนดกินดีเกิดการติดข้อง หลบกนหลงต่างๆอยู่การที่เจนาเรื่องขาดขันหมื่ที่เจนาให้ทั่วถึงจริงจังจิตของคนนั้นจะไม่หวั่นไหวถึงขาดขันจะตังอยู่ตรู้ตามเป็นจริงข่องมันขาดขันแต่ปวนแต่ละลายแตทราบ จรงที่รู้ธาตันนี้เป็นอะไรกัสะาดอีกจริงเหมือีการดีใจมีการเสียใจมอนมีการหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆนี่คือเรื่องธรรมะเรื่องการฝึกอบรมจิตใจเสียแก่ไขยิ่เดืตั้หายิ่งเดือดร้นหาอาศัยกาะ อยู่กับเรื่องขาดเรื่องขันถ้าไม่มีขาดมีขันยิเรศความเศร้าหมองปัญหาความยากในจิตในใจมันก็ตกไปหมดไปมันไม่มีอะไรที่จะเกาะจะอาศัยแต่เมื่อมีขาดมีขันมันก็เข้ามาเกาะมาอาศัยต่องอา สายธรรมะอาศัยสติปัญญายุทธวิจัยนาเกี่ยวับไล่ความสงสัยความจิตค่องคล อ, องใจออกจากเรื่องถาดเรื่องขันถ้าจิตเห็นจิตเป็นจริงจังว่าอันนี้เป็นถาดเป็นขันอันนี้เป็นจิตความนึกคิดเป็นผู้ในเรื่องถาดเรื่องขัน เห็นภาเป็นในจิตในใจโดยในอาศัยจำราหรือไม่อาศัยจำมาจากคนอื่นมันเห็นมันเป็นเดี่ยวการที่นี่ที่เจนาเดี่ยวกรสําระเดี่ยวกรรันปฏิบัตินั่งโกมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะปรับปรงอีกเพราะทำบริสุทธิ์เราจะต้องเห็นต้องเป็นขึ้น ศาสตร์าสขันชัดเจนในจิตในใจเกี่ยวกัรที่นิพพยานาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีในเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นที่เราทุกท่านจะต้องนำมากำหนดทิน้นที่จริยนาคอยแก้ไขจิตใจจิตฟองจิตยึดถือว่าเป็นยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลทำให้หลุมหลง เกิดราชาตัญหาเกิดความยินดีอ <c oughs> ยากได้ถ้าหาไม่อาศัยธรรมะพิจารณาไปในทางราชาตัญหาประสานอันนี้เป็นทิ่เป็นไทยใหญ่โตทำให้หลุ่มให้หลงให้เดือดร้อนวุ่นวายกังวลในจิตในใจ เพระนั้นธ ร, รรมะจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนกมุ่งหวังความสุขความสงบความปวนทุกข้องใจเ๋จะต้องแก้ไขจะต้องบำเพ็ผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วหมดไปแล้วว่ไม่เป็นปัญหาอะไรซึ่ขาดฐานของท่านยังอยู่ท่านก็รู้ท่านก็เข้าใจขาดฐานท่านแต่ควร เปลนแปลงไปหรือแตกสลายไปทา่านก็ไม่หลงไหลงหงุดหงวยึดถือวุ่นวายเดือดร้อนเพราะท่านทราบโดยจิตที่ทมีธรรมะจิตจีตเป็นธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุขันริ่งเป็นตัวประธานสำคัญที่อยต่่องที่นี้พี้แจนาให้พอใจธาดเจน ปรจากในจิตในใจถ้าหากยังหลงไหลในธาตุขันธ์เราจะต่องพิจิตรเนาอยู่เรื่อยเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงแม่เคยทานอยู่ก็ตามนี่ชีวิตยังมีอยู่ก็ต้องทานเรืยไปจนอินเ ม, มื่อไรถึงคอยจะล่อยจะวางอาหารแบบนั้นเมื่อเกิดความหิวมาอีกต่อ ทานอีกหนึ่เป็นเรื่องอาหารสําหรับ บ, ง บ, งบง่งรุงร่างกายส่วนธรรมะที่บ่งบุงจิตใจก็ทธรรนอง เ, อนนนน เ, นะเดียวกันหมั่นพิจิตใจมาด้ยวยสติด้วยปัญญากําหนดรักษาจิตใจของตัวไฟทราบเรื่องของธาตุของขันไฟทราบเรื่องที่เป็นทีพเป็นชัย ที่มากอะกวมจิตใจให้ยุ่งเยิงวุ่นวายต่างต่างเมื่อเรามีสติมีปัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาด่าอารมณ์ส่วนใดก็ทราแล้วปฏิบัติถูกเหมือนกันกับคนดืมตาดูจ่องดูสิงหนึ่งสิงได้อยู่ ก็าารทราบว่าสิ่งนั้นมันตั้งอยู่หรือมันเคลื่อนจากที่ไปพอเราดูมันมจิตใจของพวกเราท่านก็ถทาน้องเดียวกันการปฏิบัติธรรมทางศาสนาธือว่ามัชชาฏิตติเาชคือการปฏิบัตทิทางใจจะมีการเดินไปทางหน้า มีการสะดวกบ้างขาดช่องบ้างเป็นธรรมดาเหมือนกันกับเราเดินทา ง, ท, างทั่วโลกขี่ลุ่มตนวมีที่ดอนกัวมีที่สะดวกตนวมีที่ไม่สะดวกกัวมีแต่หน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องเดินเรื่อยไปถึงสะดวกก็ไม่ยอมเดุกยอมพักเพราะเรามุ่งหมายปลายทางแล้วไม่ถึง ที่ที่เรามุ่งหวังถึงขัดข่องก็จะต้องเดินเถอความถึงจุดหมายปลายทางที่ตนหมุ่หวังเอาไว้ธรรมดาทางไม่ว่าทั้งบกทางน้ํามันจะต้องมีความสะดวกความขัดข้องเป็นธรรมดาการปฏิบัติภายในจิตใจส่วนทำองเดียวกัน มันมีเวลาที่สะดวกสบายมีเวลาที่ผัดคล้องวุ่นวายต่างๆเรื่องเหล่านี้หมายถว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินถ้าไปหยุดอยู่ว่ะอย่นี้มันไม่สะดวกสบายไม่อยากจะแต่เ พ, พื่ปฏิบัติต่อไปใจมันก่อไม่ถึงจุดหมายปลายทางหน่ะจำเจนจะต้องสาเขนอุปสรรคที่ผัดคล้อง กันตาจิตใจเหล่านั้นให้ทะลุปูโป่งไปการปฏิบัติใจมันเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนเร้นเสียแกะ่ะพวกคิดตาทินยาคือรู้เร็วพอเลยระดับรอบฟังแล้ที่เจรนาอะไรทะลุปูโป่งไปจนถึงที่สุดจนปองผมเท่านั้นเนี่ยทานทีเป็นคิดตาทินยา ผมตกลงมาที่อจนาผมเป็นของปฏิปูนอย่างนั้นอย่างนี้หยุดก่อนเหนตามเป็นจิงละถ่องความยึดถือไม่กำนังยินดีไมมีใจเผดเพลในเหน่อในตัวในตายพอสะาบดี แต่ผนอยู่สูงขนาดนี้มันเกิยังสตกโป๊กมันเกิดไปจากที่ไหนเกิดไปจากตายอันนี้ตายอันนี้ก็อนี่แต่ของสตกโป๊กปฏิกูลทั้งนั้นใจก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายท้ายกำหนับในเหื่องของต า, ายตัวเ อ, อ, ง, อ ง, ม ง, งมันเป็นไปได้ง่ายหยุดมันคิดขนาดของมันแล้วก็หมดความ ยึดความถือความสงสัยจนตกถึงสมมติหลุดออกจากความของจิตในสมมุตถิถ่วไปจุดคือเป็นอย่างนั้นมันมีเป็นบางขันบางคนเราวมาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติ จึงจำเพ็นจะต้องอดทอนภาคเพียนพยายาม <c oughs> เรื่อยไปอย่าไปคิดว่ามันไม่สะดวกไม่สบายจิตตกหรือปฏิบัติอาจทำไม่เจริญเจ้าหน้าเลยไม่มีศรัทธาอยากจะไปทมบำเพ็นเห็นว่ามันยากมันลำบากอาภัพอับรัตนาปฏิบัติหน้าเป็น ระยะยาวานะก็ไม่เห็นเลยเจนไม่รู้ <c oughs> ถ้าเราถอดถอยอย่างนั้นความที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ากวัตจักมันก็เป็นไปไม่ได้พอมีอุปสรรคอะไรเกิดมานิดหน่อยแต่ถอดถอยในต่างหน้าต่าง้าต่อสู่ในต่างหน้าต่าง้าจะทำ <c oughs> ให้สำเร็จ มันเกิดเลยในเห็นในเห็นไม่รู้ให้พอเราเชื่อเหย่างท้องยืนดิตัญหาถึงจตมานาเหยียวยุจิตใจปฏิบัติไปก็ไม่เห็นไม่รู้เพาปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นดีเห็นดีเห็นมีความสุขความเจริญอะไรมันอาจจะมาปฏิตจิตใจของตัว แล้วก็หลงไหลไ ฝ, ฝ่ายฝันในัำในคิตของมันก็ไม่อยากปฏิบัติกัน <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึง่งในการปฏิบัติพวกทุกขาปฏิปทาทันท า, นาทิญญาปฏิบัติยากเป็นทุกู้ก่อช้าในเหมือนทุกขาปฏิปทาชิบต า, าทิญญาคือปฏิบัติสะดวกรู้เร็วเ่ียอีก เรานั้นไม่ใส่นิสายเด็นั้นจึงต้องพากันแต่ทำบำเพ็ญเพียงจากลําบากขนาดนั้นก็ตั้งใจทาเกี่ยความสุขความเจริญเสียตัวของตัวเรืงเสื่อมเรื่งเจริญอย่าไปคิดให้มันมากตั้งหน้าตั้งเท้าปฏิบัต เดิไมาเดิไปมุ่งว่ามันเคี่มแล้วอยากจะให้มันเจริญถ้าไปมุ่งอย่างนั้นนั้นไม่มีวันที่จะเจริญขึ้นให้เพราะใจมันไม่อยู่ในอดในธรรมมันคิดเอาตัญหาความอยากมาสู่ใจทั้งตัวถ้าหตั้งหน้าเดินไปถึง มันไม่สะดวกเราเดินไปการเดินไปของเรานันจะมีผลมีประโยชน์ห่างไกลจากสถานที่เต่าเลื่อยไปถึงเนยน่นื่อยงุดหงิรเดินจะยังดีะยอยู่พักอยู่หรือตัดหลังผลประโยชน์เส้นทางที่เราต่างหน้าต่างตาเดินไปถึงช้าก่อนนัว่า ยังดีกวาในเสื่อมที่ในเดินไปเหนด่อยเลืยถึงทางไกลเหนือนเราเดินหรือเหนื่อยใจมันเกาะใจเข้ามาทางหน้าทางหลังมันก็ะใจออกไปหรือเลี่ยมมีการที่เจรนาการปฏิบัติธรรมะแต่ทำนองเดียวกันแต่ถือว่ามันลําบากยากเย็นมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ <c oughs> ในอยาก <c oughs> ประเทศประจิบมันเสื่อมมันเสียอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ม่ทำในเชื่ออยากทำไปจนไหนเลยผลอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้การทำการถากเทียหนหน่มีผลมันจะไม่เกิดขึ้นให้ ยากลำบากขนาดไหนก็จะต้องไปให้ได้ในยอมเกิดยอมตายม่พบในขาบอีกต่อไปอย่างไรเราก็จะปฏิบัติเพื่อขับไล่จิตใจสิหลุ่มหลงหนูบเบให้สว่างให้รู้ทางตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรามุ่งมั่นอย่างนั้น ถึงยากถึงลำบากก่อนก็พื่อปฏิบัติกันมันก็เห็นก็เป็นในวันใดกวันหนึ่งถึงยากลำบาก <c oughs> มันก็เห็นก็เป็นไดน้ในเหลือวิสัยาการปฏิบัติที่เคยแม่สอนเหมือนกันกับการขุดบอกน้ำในบินกปกติน้ำมันมีแต่มันลึกมันตื้นต่างกัน คนที่ไม่ขุดเฉยเลยแลวย้แลวบนว่าไม่มีน้ําคนนั้นไม่มีชาอดตาเพราะเขาไม่ขุดหรือขุดเจะลงไปนิดหน่อยก็หยุดก็ถอยเฉยชาในใสหน้าฝนมันก็มีน้ําที่ไหนจะไหลมนะาเพอาะจะไม่ถึงตาน้ำจะต้องอดเซียน ลำบากยากยังเลือ่อยไปหากคนตั้งใจขุดมันก็ถึงได้ถึงลึกก็อุตส่าห์พยายามขุดจนมันถึงตานะ้ำมันจะไหลออกมาให้เราได้ดื่มได้ใด้ได้อาบได้สงตามปารถนามีการปฏิบัติทางธรรมะกัน ม, งามาองเดียวกันถ้าเร า, าตังนะ้งหน้า ต่างตาส่อพืชต่อพ่แบบยิงจังแล้วถึงนทุกยากลำบาก็ราจะต้องเป็นหน้าที่ของเราคนอื่นจะมาช่วยเหลือทำให้เป็นไปไนได้เราจะต้องต่างหน้าต่างตารักษาจิตใจของตัวถึงที่เชื่อที่เสียต่างๆที่มาเยาว์ยุ เราจะในยอนเชื่อวสิ่งเหล่านั้นจะตั้งมั่นในการที่มิตรเจนาให้จิตใจอยู่ในวงของอัดของท ร, รมุม่งมั่นและรักษาจิตของตัวไม่เหวะคิดไปในทางชั่วจิตเจนาบันเจ้าหน้าตรงไปเรื่อย ผลดีส th ุดก็ถึงความสุขความสบายให้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แต่มันก็ลุ่มหลงหัวเมาเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมจะไม่เห็มันเสียใจมันก็ยากพอเราเคยเสียสมมต อย่างนี ú, ây, p, ài, thôi, a, gì, ้มจะไหนจะไรจิตใจคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่พอใจไม่มีสุขมีสบายให้มีแต่หวุนวี่วุนวายกับอารมณ์สัญญาต่างๆนานาหาความสงบเยือเย็นในได้อารมณ์ที่โผมาเกี่ยวข้อกับจิตกับใจจะมีแต่เพนแต่ไฟมาใหม่มาเผา มันเป็นมันมนเย็นมนสุขให้ม่มันเป็นอย่างนั้นใจมันก็ถอดถอยเหลือร้อไม่อยากประพฤติปฏิบัติถือว่าจิตของตัวเสื่อมจิตของตัวไม่เจริโดยเกิดเสียใจหมู่มันสงบมันสุกมันสบายอารมณ์สัญญาจ ยอนมาฝุดขึ้นล้วนแต่เรื่องของอดท้องทำใจก่อนเพลินในความเห็นความเป็นของตัวเย็นสุกสบายบาิ่งเลื่อนเหนือยเลื่ชัวรว่าเราสุกเราสบายเราดีเราวิเศษเราจิดในความสุขความสบายเพลินในความสุขความสบายของตน อย่า ง, งจิตของนเจริญจิดของตัวเก่าหน้่ทั้งสองอย่างนี้มันมีเป็นธรรมดาในการปฏิบัติแต่ผู้ ป, ปฏิบัติต้องคิดว่าเสียมนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะแก้ไขไม่ใช่คนอื่นจะมาแก้ไขให้นั่นเป็นไปจากที่ไหน มันเป็นไปจากใจของตัวไม่ใช่หรือคือมันคิดมันฟุงมันเสี่ยมมันเสียไปอย่างนั้นยึดใครที่ไหนอื่นเขาหามาให้ผมมีคเจริญแล้วใครเอามาให้เรื่องเหล่านี้ทราบดีในการประเทศปัจจบัทราบโดยใจตัวเองอร่อันนี้เป็นอาการของจิต ในใจตัวของจิตจิงจิตผูมารู้ม่ได้เสื่อมไปตามสิ่งเหล่านี้จิตผูมารู้ม่ได้เจริญไปตามสิ่งทีง่เราลุ่มหลงที่เป็นอาการต่างหเมื่อทราบอย่างนั้นจับตัวจิตได้ก็ไม่วุ่นวายในความเสื่อมใน่วุ่นวายในความเจริญหน้าที่มีอย่างไวปฏิบัติเยี่ยงใจ ไม่ได้สงสัยในข้อปฏิบัติของตัวนี่ดยจิตเท่าทึงอาจทึงทำเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่หมดวิเลดตน์หายังไม่หมดมานาคิทิยังทราบดีไวจิตตัวยังมีขี้เหลื่อยขี้ควรละควรบําเพ็ญจะต้องละจะต้องบําเพ็ญจะต้องจัดทําเรื่อยไป็นหมดสงสัยทุกอย่าง อย่ไมนมีอะไรที่จะละอีกจะบำเพ็ญอีกในมีอะไรที่จะจิตในพบในทราบอีกมันเป็นอย่างไรมันเข้าใจเพราะความเป็นความเห็นของใจหนึ่งนั้นมันบงบอกเขียมมันก็ทราบเจริญมันก็ทราบละเอียดมันก็ทราบหยาบมันก็ทราบ เป็นสมาธิมันก็ทราบสมาบัติม่นก็ทราบเป็นมีมดมันก็ทราบอีกเหมือนกันครั้งั้งที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแต่เมือเห็นเมื่อเป็นมันทราบ